หนึ่งจุสองไม่แยกการปฏิบัติธรรมกับการใช้ชีวิตออกจากกันวงเล็บเปิดสิบห้าธันวาคมสองพันห้า้อห้าสิบในวงเล็บสองจุดจุดนาทีสี่สิบสี่วงเล็บปิดเราต้องตัดความรู้สึกที่ว่าการนั่งคือการปฏิบัติธรรมเราอย่าคิดว่าตลอดวันนี้เราไม่ได้ปฏิบัติธรรมแต่นั่งหนึ่งชั่วโมงนี่เราจะปฏิบัติธรรมถ้าอย่างนี้เราแยกการปฏิบัติธรรมกับการใช้ชีวิตออกจากกัน อย่างนี้ยังหวังมรรคผลยากแท้จริงแล้วก็คือเราต้องปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับยืนอยู่ก็ต้องรู้สึกตัวนั่งอยู่ก็คอยรู้สึกเดินอยู่ก็คอยรู้สึกรู้สึกไปเรื่อยๆตลอดเวลาที่รู้สึกตัวอยู่มีสติอยู่นั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติอยู่เมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นขาดการปฏิบัติคราวนี้ถ้ามีเวลาเราก็ต้องตั้งใจไว้ก่อนเราอาจจะอธิษฐานไว้หมายถึงตั้งใจไว้ก่อนว่า ทุกวันเราจะต้องนั่งให้ได้สิบนาทีสมมตินะอย่าตั้งไว้เยอะนะถ้าวันไหนทำไม่ได้เดี๋ยวใจฝ่อแต่ถ้ามีเวลาเยอะเราก็นั่งไปเรื่อยๆเราไม่ได้เลิกนะการปฏิบัติไม่มีการเลิกทำตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้าตอนนี้ไม่ต้องไปทำมาหากินไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับใครเราก็นั่งดูกายนั่งดูใจของเราไปเรื่อยเ ถึงเวลาง่วงนอนแล้วเราก็ไปนอนเราไม่ได้เอาเวลาเหมือนกับบางคนไปตั้งใจว่าเราจะเดินจงกรมสามชั่วโมงเดินไปแล้วก็ดูนาฬิกาไปเดินไปอ้าวหมดไปหนึ่งนาทีเองหรือพอครบสามชั่วโมงอิ่มอกอิ่มใจว่าวันนี้ภาวนาดีทั้งๆที่ไม่ได้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ภาวนาเอาระยะเวลาเราไม่ได้ภาวนาเอาระยะทางด้วยยังเดินจงกรมนะ บางคนตั้งใจจะกลับไปกลับมาให้ได้สองร้อยเที่ยวรีบจ้าใหญ่เลยเหมือนตามควายสมัยนี้ก็ไม่มีควายให้ตามไม่รู้ตามอะไรนะพอครบสองร้อยเที่ยวแล้วก็ภูมิใจวันนี้ภาวนาดีภาวนาเอาเวลาภาวนาเอาระยะทางใช้ไม่ได้เราภาวนาเอาสติถ้าเรามีสติอยู่ขณะนั้นเป็นการปฏิบัติขณะใดขาดสติขณะนั้นขาดการปฏิบัติการปฏิบัติกับขาดการปฏิบัติจะสลับกันทั้งวันเลย